สำรวมใจให้ดีควบคุมใจให้ตั้งอยู่ภายในอย่าให้มันพุ่งส่่นไปทางอื่นมีสติกำหนดความรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่นั่นนะ่ะนั่นแหละคือดวงกิดอะคำว่าควบคุมจิตก็คือ น้มสติความระลึกเข้าไปหาความรู้อันนั้นนะความรู้อยู่ตรงไหนสติย่างเข้าไปให้ถึงความรู้อันนั้นส่วนมากนั้นสติมันย่างเข้าไปหาจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตมันจึงไม่โย่จิตมันจึงพุ้งซ่านไปให้สังเกตดูให้ดีผู้ใดภาวนาลงไป น้มสติระลึกเข้าไปไม่ถึงจิตเดิมใจเดิมไปค้างอยู่อารมณ์อะไรอันหนึ่งแล้วจิตมันก็คิดสายออกไปข้างนอกแบบนี้นะมันไปอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าน้มสติระลึกเข้าไปหาความรู้สึก น, นั้นสติไปควบคุมความรู้สึก น, นั่นอยู่ความรู้สึกคือดวงจิตมันก็จะไม่คิดไปไหนบนี้ มันจะไม่คิดไปไหนเลยมันจะหยุดอยู่ที่เก่าในในความหมายการภาวนาในตอนต้นนะหมายอย่างนี้แหละเราไม่ต้องต้องไม่ต้องอยากรู้อะไรต่ออะไรหรอกตขั้นต้นนี้นะเราขอให้จิตนี้สงบลงจากความคิดความนึกที่มันแล่นไปในอดีตอนาคตนี้นะนั่นแหละ ถ้ามันสงบจากความคิดเหล่านี้ลงไปให้เหลือแต่ความรู้กับสติเท่านั้นนะอยู่ในปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตเป็นปกติหายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นปกติเราจะรู้จิตนี้ว่าเป็นปกติกับเพราะอาศัยสตินี่นะถ้าสติเล้วไหลเรารู้ไม่ได้เลย มีแต่ร ะ, ะลึกพึ่งพุ่งออกไปข้างนอกนูน่นนั่นะทุกคนให้มารู้ความหมายของการภาวนาอย่างรวบรัดตัดตอนเอาอย่างนี้เสียก่อนไม่ให้มันยืดเยอะอภาวนาความหมายก็เพื่อที่จะฝึกจิตให้ส ง, งบ ระงับมาให้มันคิดพุ่งไปทางอื่นในขั้นต้นนี่นะเอความมุ่งหมายเป็นอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักความมุ่งหมายแล้วเราภาวนาเราก็กําหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นก่อนนะอยา่าไปอยากรู้นน้นรู้นี้อะไรก่อนอืมเมื่อฝึกกิตนี่ม่ให้มันคิดมัน ปรุงไปต่างๆนานาแล้วมันจิตมันก็สงบตั้งอยู่ในปัจจุบันอืมมีสติประคับประคองอยู่นี่นะเมื่อเราเพ่งความรู้อันนี้มากๆเข้าไปแล้วความรู้อันนี้แหละมันจะละเอียดเข้าไปมันจะสงบเข้าไปละเอียดเข้าไปโดยลําดับอืมเมื่อมันละเอียดเข้าไปอย่างนี้แล้ว จิตมันรวมลงไปมันก็ถ้าหากว่ามันผู้มีวาสนาแรงกล้าจิตรวมลงไปถึงอปนาสมาธิแต่ถ้าวาสนามันไม่ถึงนั้นจิตรวมลงไปถึงขนาดอุปจารสมาธิเรียกว่าใกล้ๆ เ, เสียดเข้าไปในฌานสมาธิขั้นสองนี่นะ ท่านเรียก ว, ว่าอุปจารสมาธินี่นะใกล้เข้าไปหาฌานแต่ไม่ได้บรรลุฌานอืมเพราะนั้นสมาธิแล้วมันมีอยู่สองประเภทอย่างนี้แหละสุดแรกแต่ใครจะทำสมาธิประเภทไหนให้เกิดขึ้นในตนก็ทำลงไปผู้ที่มีศรัทธามีปัญญามีความเพียรแรงกล้า มีบุญมากเพีเ้นเพ่งพินิษฐเข้าไปจิตใจมันอาจจะได้เห็นนิมิตต่างๆนานา น, านิมิตอันละเอียดละออใสเหมือนแก้วเนี่ยอันนี้เป็นนิมิตของอัปปนาสมาธิอืถ้าผู้ได้นิมิต ด, ดังกล่าวนี้แล้วเพ่งนิมิตนี่เข้าไปไม่ถอย จิตมันก็รวมลงอย่างสนิทสนมนิมิตละเอียดเท่าใดจิตก็ละเอียดเข้าไปเท่านั้นเป็นอย่างนั้นถ้านิมิตหยาบจิตก็หยาบดังนั้นแหละให้พากันสังเกตดูว่าตัวของเราทุกคนแต่ละคนตอนภาวนานั้นจิตใจอย่างลงถึงไหน ถึงอุปจารสมาธิหรือว่าถึงอัปปนาสมาธิแต่ว่าส่วนมากเข้าใจว่าได้แต่เพียงแค่อุปจารสมาธินี่เนี่นแปลว่าจิตสงบเฉียดเข้าไปใกล้ฌานแต่ไม่ได้บรรลุฌานนี่นะถ้าผู้ที่ได้อัปปนาสมาธิก็ได้บรรลุฌานสมาบัติแล้วเจริญนิพพาน พูดเช่นนั้นนะ่ะเมื่อได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแล้วย่อมมีฤทธิ์มีเดชเข่อเหินเดินอากาศได้ดำดินได้แสดงฤทธิ์ต่างๆทําคนเดียวให้เป็นหลายคนก็ได้มีความรู้ความชํานาญในธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลแต่สาในในอัตในธรรมมูนี้นะอันมูนี้มันเกิดจากผู้บำเพ็ญ สมาบัติแปดให้เกิดขึ้นอืมหรือหรือท่านเรียกชื่อหนึ่งว่าอปปนาสมาธินี่นนอปปนานี่หมายความว่าจิตตั้งมั่นไม่มีประมาณเลยอืมจิตตั้งมั่นอยู่ได้นานคำว่าอปปนาสมาธินั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้าพากันพิจารณาดูตัวของเราทุกคน หากว่าเราภาวนาได้ขั้นต้นนี่แค่อุปจารสมาธิก็เอาไม่เป็นไรขอให้มันได้ขอให้ใจสงบจากอารมณ์ภายนอกต่างๆให้มีแต่ความรู้อยู่ภายในร่างกายสังขารมันวิบัติมันแปรปลพวนอย่างไรก็รู้เท่ามันอยู่ภายในรู้ว่ามันไม่ใช่ของเรา เราบังคับมันไม่ได้เลยเหตุนั้นมันจึงเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันถ้าเราบังคับได้เราก็จะต้องบังคับไม่ให้มันเจ็บมันป่วยให้ร่างกายนี่มันสม่ำเสมอไปตลอดอนันตการเนี่ยกานอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นนิพพานเท่านั้นลกนี้นะอืม มันไม่มีเกิดไม่มีดับแล้วมันก็เป็นนิพพานเท่านั้นเองอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่อันเนี้ยไม่เป็นอย่างนั้นเพราะจิตใจมันยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วมันก็เป็นตัวกรรมนำพาให้เกิดมาอีกเป็นรูปเป็นนามอีกกระเพาะใจมันยึดมันถือว่าขันหา้าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้นะเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่า กูคนใดมาเพ่งจิตให้สงบอย่างที่ว่านั้นแล้วเมื่อพิจารณาขันธ์นานี้ว่าไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเลยเป็นแต่บุญกรรมตกแต่งธาตุของบรรดาบิดาให้จะเรือนไว้ใหญ่โตเป็นผู้เป็นคนมาเท่านั้นเองอแล้วก็ธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่ก็หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยบุญกรรมตกแต่งให้กูเจริง แต่บุญมันก็ะตกแต่งให้ได้อยู่ในขอบเขตของบุญนั่นแหละถ้ามีบาปแทรกแซงอันนี้นะบุญก็ไม่สามารถจะรังับบาปนั้นได้ถ้ามีบาปแทรกแซงบาปมันก็เกิดขึ้นในระหว่างบันนี้จิตใจก็ได้สวยทุกขเวทนาะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอย่าไปไว้ใจสังขารร่างกายนี้เพราะเรารู้ไม่ได้ว่าแต่ชาติก่อน เราได้ทำความดีความช่วยอย่างไรมาบัางเรารู้ไม่ได้เลยนี่นะดังนั้นมารู้เอาต่อเมื่อกรรมมันให้ผลขึ้นเมื่อใดแล้วก็รู้เลยวันนี้นะอย่างคนบางคนนะอยู่ดีดๆก็จถ้าจเจ็บป่วยขึ้นมากระทันหันเลยเจ็บป่วยแล้วหมอแล้วสายีวยาก็ไม่หายเขาก็เลยพยากร่าเป็นอมาพึกอมภพาด ไปอย่างนั้นเลยฮะนี่ืมี๋ยวร่างกายก็ทุกพลภาพไปอยู่นั่นเนี่ยจนกวัวจะตายอืมอันนี้มันเป็นกฎธรรมดาอย่างว่าเลยไงกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าเมื่อบุคคลทาบุญก็ทําบาปก็ทําอย่างนี้นะมันก็ให้ผลเร้่งสองอย่างนี่เข้าใจถ้าบุคคลทาแต่บุญนวนลวนลวนมาแต่ก่อนบาปไม่ทําเลยอย่างนี้ มาชาติในบุญมันก็มาตามตกแต่งร่างกายให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีวิบัติขัดข้องอะไรนี่เรียกว่าบุคคลนั้นทำแต่บุญกุศลไม่ทาบาปก็มีชีวิตอยู่ราบรื่นเรื่องมานเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนต้องพิจารณาตัวเองว่ามันมีกรรมวิบากอะไรบ้างมันให้ผลอยู่ในเนี้ยหรือไม่มีก็รู้ได้ตนเองแหละ เพียงั้นเมื่อมันไม่มีกรรมวิบากมาสนองร่างกายนี่มันก็อ้วนทนสมบูรณ์กินก็ได้นอนก็หลับทำการทำงานอะไรก็ได้เดินทางไกลไปทางเรือก็ไม่บอบไม่ช้ำมีกำลังเป็นปกติอยู<บ>่เช่นนี้แหละก็แสดงว่าเป็นผู้มีบุญไม่มีบาปตามสนอง ผู้ใดรู้ตัวว่าตนมีบุญอำนวยผลให้มีร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้ก็อย่าไปนิ่งนอนใจก็ตั้งความเพียรความพยายามลงะจะเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นสมาธิบังเกิดขึ้นแล้วก็หัดจเจริญปัญญาหัดคิดหัดพิจารณาอย่าไปอยู่เฉยคนส่วนมากนั้น เมื่อภาวนาทำใจให้สงบลงไปแล้วมักจะเสอยผลแห่งสมาธ่ภาวนานั้นสบายสบายอยู่ขี้เกียจพิจารณาอะไรต่ออะไรพูดฉะนนั้นแล้วไม่มีปัญญาได้แต่ทำใจให้สงบเท่านั้นเป็นสมาธิท่นั้นแหละและไม่มีปัญญาที่จะมารู้จริงเห็นแจ้งรู้เหตุรู้ผลในสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ตามเป็นจริงไม่มีมันเป็นอย่า ง, า น, งนั้นเือมมาน่ะดังนั้นน่ะผู้ภาวนาในปัจจุบันนี้เมื่อทำใจให้สงบประงับแล้วก็ต้องหัดคิดหัดวิจารณ์ค้นคว้าหาความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตนี่มันมียังไงบ้างต้องค้นคว้าต้องอา่านดูในใจ อ๋อเหตปัจจัยของชีวิตอันนี้อาศัยบุญบาปที่ได้ทําออกมาแต่ก่อนมาตกแต่งให้เหตุนั้นมันถึงมีสุขมีทุกข์คุกเข้ากันไปอย่างนี้เนี่มันก็รู้แจ้งพอ ร, รู้แจ้งนะมันก็ไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาเพราะว่าเวทนากศ็ศลวัตเวทนามันไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าเวทนานี่นะมันไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่มีไม่ไม่มีอยู่ในเราเราไม่ได้เป็นขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นตนตนไม่ได้เป็นขันห้าพระโสดาบันท่านรู้แจ้งขึ้นมาอย่างนี้นะรู้แจ้งในใจขึ้นมาอย่างนี้แต่ความรู้ของพระโสดาบันเมื่อท่านได้บรรลุแล้วหากไม่เสื่อมเลยแบบนี้นไม่เสือ่อมกำหนดเวลาใดก็รู้ได้เวลานั้น เป็อย่างนั้นไม่เหมือนอย่างความรู้คนธรรมดาสามัญถ้าฟังเทศฟังธรรมอยู่ภาวนาอยู่รู้แหละรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอน้าตา ร, รูปร่างกายอันนี้นะท่านพอออกจากสมที่ภาวนาไปแล้วไปลืมตัวเสียปลอยจิตให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกไม่ควบคุมจิตแล้วอืมอย่างนี้ท่านเรียกว่าประมาท เป็นผู้ประมาทแท้เพราะว่าทากุศลทำไม่เกิดขึ้นแล้วก็รักษากุศลธรรมนั้นไว้ไม่ได้ให้พากันพี่นาดูให้ดีไอลักษณะของจิตที่มันเป็นสมาธิน่ะมันมีความรู้สึกเป็นกลางกลางอยู่นั้นนะแม่เราออกจากสมาธิมาแล้วสังเกตดูความรู้สึกนั้นก็เป็นกลางอยู่อย่างนั้น มันไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังมันไม่เอียงไปข้างหลงข้างเมาต่างๆนานามันรู้ตัวว่าทนไม่ยึดถืออะไรพราะยึดถือไ้แล้วเป็นทุกข์ประเเเมันไม่เที่ยงนี่ไปขืนยึดถือของไม่เที่ยงว่าอย่างนี้เมื่อสิ่งไม่เที่ยงมันแปลปวนไปจิตก็แปลไปตามเลยวันนี้นะ พ่อไปยึดของไม่เที่ยงอยู่นี้กาอาศัยของไม่เที่ยงอยู่อ <c oughs> เหมือนอย่างบุคคลอาศัยราวสะพานทัานเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาราวสะพานนั่นมันไหวไปไว้มาเช่นนี้คนตัวคนก็โอนเอ็นไปตามเลยตั้งอยู่ไม่ได้อืมเป็นอย่างนั้นเดิมมานะ่ะ ถ้าผู้นั้นยืนอยู่โดยลำพังตนเองแล้วอย่างนี้นะพึ่งตัวเองมันก็ไม่โอนเอ็นไปตามลาวสะพันที่ถูกแรงกระทบบางสิมืออย่างให้โอนเอ็นไปมาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อจิตเข้าถึงความสงบแล้วมันไม่ได้ยิงอาศัยอารมณ์อัใดเลย อให้ไพ่สังเกตดูนะการภาวนาเนะ่ะมันไม่ได้ยิงอาศัยอิตถารมอารมณ์ที่น่ายินดีอนิจถารมอารมณ์ที่น่ายินร้ายเราจางต่านานาวันนี้ไม่อมันมีความรู้สึกเป็นปกติอยู่เพราะว่ายิเลศอันมันเป็นค่าศึกเกี่ความสงบมันมันต่อสู้กันมาแล้วมันสงบระ ง, งับลงไปแล้วอื เป็นงางนั้นเมื่อี่เ ล, ลนั้นสงบงับไปแล้วศัตรูก็ไม่มีศัตรูของจิตศัตรูของความสงบไม่มีจิตใจมันก็รวมสงบอยู่ได้นานสิวันนี่นะอา่ามันเป็นงานเลื่องมันนะ่ะแต่ถ้าศัตรูนั้นยังไม่หมดยังไม่ละงับไปพอละงลับไปหน่อยหนึหน่งแนละ้วมันเกิดขึ้นมาอีกอย่างนี้จิตก็วันไว้ไปทมอยู่นั้นไปก่อนแล้ถ้ารู้ตัวเราสู้มันเพ่งมัน อารมณ์ต่างๆเละมันไม่เที่ยงมันเพ่งแล้วมันก็ทนต่อความเพ่งไม่ได้มันก็ดับไปอนั่นแหละแต่จิตความรู้สึกนี่ยังยังปกติอยู่ตามเดิมแต่อารมณ์ต่างๆเลยมันย่อมระงับไปดับไปเพราะมันไม่เที่ยงนะส่วนจิตดวงนี้น่ะมันเมื่อฝึกให้มันคลายอารมณ์ต่างๆออกไปแล้วมันตั้งมั่นลงแล้วนะ มันอยู่โดยลำพังนะทีนี้ไม่ได้อาศัยสิ่งใดๆเลยมเมื่อมันอยู่โดยลำพังอย่างนี้มันจึงไม่ไม่เสื่อมนะมันจึงไม่ถอนจากสมาธนะิเพราะมันอยู่โดยลำพังมีสติประคองอยู่นี่นะมีความรู้อยู่ธรรมดาธรรมดาแล้วมีสติประคองอยู่ อันนี้เราเรียกว่าสมาธิที่ถูกต้องให้พากันเข้าใจเมื่อเราฝึกจิตนี้ให้มันสงบเป็นปกติไปได้แล้วอย่างนี้ปัญญามันก็เกิดอยู่ในนั้นเองนะพอมีเรื่องอะไรมาถึงเข้าปัญญามันรู้แจ้งทันทีเลยอย่างนี้นะอ๋อเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ควรยึดไม่ควรถือเกิดขึ้นแล้วก็วดับไป ไม่มีตัวมีตนไม่มีดีมีชั่วอะไรหรอกอย่างนี้นะอ่ อ, อปัญญามันก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้แต่คนไม่มีปัญญาสอนจิตแล้วมันก็นเลยสำคัญผิดคิดว่าเขาเบียดเบียนตนเขาทำตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทันเมื่อคนอื่นกระทบกระทั่งมานะอ่าพี่ตกไปอย่างนั้นเนะี่ย แต่สำหรับผู้ที่เจริญสมาธิและเจริญปัญญาพร้อมนี่ไม่เป็นอย่างนั้นสิอา้าวมันเราก็พิจารณาถึงความจริงของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะดีก็ดีชั่วกว็ดีมันก็รู้วนแต่เป็นสังขารทั้งนั้ น, น, นเลยเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปดีก็ดีชั่วกว็ดีไม่มีอะไรยั่งยืนเลยเพิจารณาเห็นอย่างนี้แนละ้วมันมันก็ไม่วันไหวไปตามเรื่องนั้นๆเลยจิตนี่นะ มันก็รู้เท่าอยู่ปกติธรรมดาอยู่นั้นเนี่ยนี่แหละการฝึกจิตเนี่ความประสงค์มีอย่างนี้แหละขอให้ฟากันเข้าใจอืมมีความประสงค์อย่างนี้แหละคือความประสงค์ว่าเราอาศัยสมาธิเป็นหลักอืมเป็นฐานของปัญญารักษาสมาธิไว้ให้ได้นี่นะ เมื่อรักษาสมาธิไปได้แล้วเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งเข้าไปปัญญามันก็ดําเนินงานอะไรแบนี้อ๋อเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีตัวตนอะไรเลยปัญญามันเห็นแจ้งอย่างนี้มันเตือนจิตสอนจิตจิตรู้ตามปัญญาเลยมันกร จิตก็ยุดติไม่ยึดไม่ถือเลยเมื่อยุดติตลงได้มันก็เป็นกลางอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้นะไม่ไม่เศร้ามองคุณมั่วไม่วันไว้นี่แหละจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติสมาธิภาวนาในพุทธศาสนานี่ดังนั้นเมื่อไดยินได้ฟังแล้วขอให้พากันจาอุบายเหล่านี้แล้วไปเพกหัดทาลงไปอย่าไปท่อไปถอยถ้าเราท้อถอยแล้วกิเลสมัน ย, ย่ํายีเอาเต็มที่เลยถ้าเราเข้มแข็งก็ไปแล้วกิเลสมันก็กลัวมันก็อ่อนกําลังลงนะมันอยู่ที่จิตนี่แหละถ้าจิตอ่อนแอแล้วกิเลสมันก็ได้ท่าแล้วมันก็ครอบง้าเอาถ้าจิตเข้มแข็งกล้าหานพร้อมด้วยสติปัญญาแล้วกิเลสมันก็กลัวมันก็พ่ายลง